ก็นตั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันที่สามวันเดือนธันวาคมในการเยียนวัฒกรรมฐานในริมแยกเพราะเป็นว่าอันดับแรกของพระดาท่านพระบริษัทก่อนจะทำอะไรทั้งหมดตามแบบฉบับที่พระเจ้าทรงสอนใหะเราเป็นมิตริกาสูตร ความที่ทุกท่านจะภาวนาและพิจารณาให้ตั้งใจแผ่เมตตาจิตไปในจักรวาลทั้งปวงสะ ก, ก่อนเพืจิตสงบคําว่าแผ่เมตตาจิตจะหมาทถึงพรมีอารสี่เพื่อหนึ่งมีความรู้สึกว่าเราคิดว่าเราจะมีความรักคนในสัสตว์ทั้งโลกเสมอได้ความรักในตัวเราเองให้การที่สอง เราสงสัยสงสารคนสงสารสัตว์ทงโลกเหมือนสงสารตัวเราเองการที่สามเราจะมีความอิจฉาที่ยาใครว่าตัวเองได้ดีพอดีดีด้วยการที่4ีถ้าใครทาให้ไม่ชอบใจเราจะวางเฉยไม่โตอตอบคิดอย่างนี้ไปเรื่อยจนกว่าจิตจะเปสุข ในเมื่อเราม่สุขแล้ต่อไปเขาท่านบอกว่าตั้งกายให้ตรงจะลงจิตให้มั่นก็หมดรู้ลมหายใจเข้าออกเวลาหายใจเข้ารู้อยู่หายใจเข้าเวลาหายใจออกรู้อยู่หายใจออกหายใจเข้ายาวรู้สั้นหายใจออกยาวรู้สั้นก็สราบอยู่ก็หมดรู้ลมหายใจออกให้จิตเป็นสุขว่าเราเมื่อมเรียบ เราหาใจเขาออกนี่พระเจ้าตรัสว่าเป็นการรับกเพ่งสร้าง ข, งของจิตหลังจากนั้นก็ใช้ธรรมนาตามชอบใจธรรมนานี้จะไม่จำกัดใครชอบอย่างไหนภาวนาแบบนั้น เ, เป็นวิธีเปิดเผยธรรมดาในบริษัทการยึนหักธฐานมีสองแบบแบบที่หนึ่ง ใช้สรงจิตใช้จิตได้ลมทรงตัวได้กระรุ่นลมใจก็ออกด้วย์ธรมวินาแบบที่สองแบบลมคิดแล้วก็แบบที่หนึ่งนี้พระเจ้าทรงตัดไวเพียงแค่เพีเยงแค่สิบเอ็ดอย่างแล้วลมคิดมียีบเก้าอย่างรวมแล้วสี่สิบงการโะนํานถ่ายข้าราชการบริษัทให้ใช้แต่สองแบบอย่างใดยอย่างหนึ่ง เวลาไหนถ้าจิตต้องการความสงบเราจะพิจารณามันแมวด้วยก็ใช่ลมสงบหรือลมหายใจเ็าออกออกคว่าคำาวนาบางครั้งเราต้องการสงบให้จิตสงตัวแต่วก็จิตมันอยากคิดบางครับเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมมันจะคิดท่าเดียวก็คิดตามตามกรรมฐานที่อาจารสอนไว้ถ้าถามว่ามีอะไรบ้าง ก็ต้องขอตอบว่าตรงไปซื้อคำถามสี่สิบอันแค่คือฉันบอกเวลานี้เพี้ยนเนะในคำถามสี่สิบก็ได้มหาติธารมสูตรก็ได้ทั้งนี้ังสองอย่างไม่ก่อนจะพูดอย่างอื่นวันนี้ควรจะเป็นอารมณ์ของอานาคามีทำได้ไหมเจ้าแก่ได้เขาได้แล้วป็นงานแล้ว ก็ยังไม่พูดก่อนทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ามีญาติโยมบางท่านเคยมาพูดให้ฟังว่านังสือบางเล่มเขีนยนไว้บอกว่าพระพุทธเจ้าไม่น่าจะสอนคำถามทั้งสทั้งสี่สี่แบบควรจะสอนแบบเดียวคือสุขวิตตะโกนี่เขารู้ดีพระเจ้าฉันยอมแพ้ท่านพระเจ้านะ ว่าอีตาคนนี้เก่งกว่าไม่น่าจะสอนเลสี่แบบคือแบบที่หนึ่งสุขาตะสโกไม่กระเจรินชานสมาบัติได้เป็นพระอริยเจ้าเปืนอรหันต์ได้แต่ไม่มีความเป็นทิพยแบบที่สองที่ว่ติวิโชคือวิชาสามแบบนี้ก่อที่เป็นพระอริยเจ้าขณะที่ทรงชานโลกีจะต้องได้ทิพย์กุายก่อน ถ้าเป็นเพรญวับออิาเนเีออ่นคือเรคืาดได้แบบที่สารเะลเป็นโยคือเมื่อรู้ได้เห็นได้ก็ไปถึงที่นั้นได้แบบที่สี่ไปเชิงซาตโตแบบนี้มีความฉลาดมากรั <c oughs> กรู้ทุกอย่างถ้าอะไรไม่รู้สามารถใช้ชาญสมาบัติทบทวนได้ ถ้าจะถามว่ า, า, าทำไมพระเจ้าทรงสอนทั้ง4ี่แบบก็ขอตอบแทนพระพุทธเจ้าถ้าไม่ใช้เสอยแทในให้เฉยไงก็ขอตอบแทนว่าคนในโลกนี้มีอัติยาสัยไม่เหมือนกันบางคนชอบสงบเป็นศรัทธาจริตคำว่าศรัทธาจริตหมายความเชื่อง่าย ใครเขาบอกอะไรมันก็เชื่อบอกอะไรมันก็เชื่ออันตรายเหมือนกันถ้าไปเชื่อคนที่สอนผิดให้ปฏิบัติผิดไม่จะเลวเละเทลเทมากผมผิดเสียเวลาเปล่าถ้าบังเอิญไปพบท่านผู้รู้ได้แก่ปเสนดาปิสิคานาคาสหนอย่างนี้ก็มีการเคร่งตัว เพาท่านในนี้สตไตล์เด็ดชอบเชื่อเขาว่าอะไรมันก็เชื่อว่าอะไรมันก็เชื่อก็บอก็าตายแล้วไม่สภาพไม่สนตอนที่พระเจ้าบอกเขาเชื่อตายแล้วต้องทาความดีไว้ไปสวรรค์ถ้าความเลวขึ้นมาสิงใจเป็นนรกก็เชื่อถ้าทําอย่างนี้รู้รไม่ใจเข้าจเอาออจิตจะเป็นชานเร็วก็เชื่อถ้าวิจารณาอย่างนี้จะเป็นพระอริยเจ้าก็เชื่อ ถ้าเชื่อตามนี้เขาก็เชืช่อหต่อเฉยๆไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นอะไรก็หมดอยากรู้แต่ไม่อยากเห็นก็เป็นพระอรหันได้พญิพานได้แต่คนอีกอย่างพวกหนึ่งมีศรัทธาจริตนี้นการแตบกพุทธจริตคำว่าพุทธจริตที่แปลว่ารู้หรือฉลาดพวกนี้ถ้าบอกเฉยๆก็เชื่อ เราก็อยากเห็นถ้าไม่เห็นก็ไปสิ่งความสงสัยท่านพระพุทธเจ้าเองก็สอนประท า, า, านบมวดที่สองที่รเรียกว่าเตวิโชเตวิโชนี่ในทิฏกุ ญ, ญานสามารถจะเห็นอะไรก็ได้ต้องการนรกต้องการเห็นนรกต้องการเห็นแดนเปรตสุกกายก็ได้ต้องการเห็นสวรรค์เห็นธรรมโลกก็ได้ได้ทุกอย่าง เอาแค่เห็นเ้ยๆก็พอเป็นที่พอใจเพื่อความมั่นใจขอตัวเองถ้ามวดที่สามพวกนี้ทั้งรู้ทั้งเห็นยังไม่พอถอกติเราถือกติกตว่าสิบปากว่าไม่เต้าตายเห็นนี่ยังไม่พอสิบตาเห็นไม่ท่าไม่คลำต้องคลำต้องไปให้ถึงอะไเพวกวิญญา พระพุทธเจาก็มีความจำเป็นและต้องสอนอวิญญาให้พอถ้าเราเห็นสวรรค์พวกอยากรู้อยากเห็นน้อยๆอย่างวิชาสาพอใจแล้วแต่พวกที่มีวิสัยอวิญญาณนี่ไม่พอใจต้องไปให้ถึงเห็นบมนโลกแล้วต้องไปถึงพมลโลกเห็นนิพพานแล้วต้องไปถึงนิพพานเห็นนรกแล้วต้องไปถึงนรกเป็นตน แล้วญาจะมีความจำเป็นให้สอนตามใจคนปฏิบัติพราะปฏิสัยนี่เหมือนกัน <c oughs> ในประเภทที่สีปในสัมพินธายานท่านพวก น, นี้ก็มีศรัทธาจริติกันกระบบพุทธเจิตด้วยทั้งนี้พรอะไรเพาพุทธเจิตนีแต้แปลว่าคนฉลาดใครเพียงแค่เห็นมือมือคำได้ไคือหม่พอเห็นสวรรค์ไปสวรรค์ได้ เห็นวมาโลกไ ป, ปมาโลกได้อันนี้ไม่พอใจอยากจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตอนนี้ยังไม่เคยไม่เคยรู้ก็ต้องสึกดันปัญญาพิทาญาณเพราะญาณนี้สลาดมากมีความรู้มากอะไรก็ตามถ้าไม่รู้สามารถทบทวนได้อย่างจะเรื่องคำสอเออผมจะปัมมาท่านพรเจ้า เราไม่เคยอ่านเราไม่เคยพบก็ใช้กําลังความเป็นทิพยของจิตเข้าไปหาพระพุทธเจ้าคนถามท่านว่าเคยสอนอย่างนี้บ้างไหมเคยสอนอะไรบ้างไหมอันนี้ท่านจะตอบให้ทราบแต่เราก็จำมาพิเสตญาจะมีความสําคัญเพราะว่าเขาคิดว่าภาษาที่เก่งปิยาจะทราบภาษาที่เก่งตามที่เขาเล่าหรือไมก็ไปทบทวนถามท่านได้ ถาจะบอกให้ก็เป็นว่าการสังเกตนาแต่คราวตั้งแต่ตอนต้นมาทั้งครั้งดีห้าเขาใช้เฉพาะพระหลานไปสมิธายานโดยเฉพาะอย่างยิ่งครั้งที่หนึ่งพระมหาจะสดไปหัวหน้าในการสังเกนาจะทำอวินยัยเวลานั้นพระหลานมีนับสแสนเฉพาะอย่างยิ่งในสัญญายหญ่ก็นับแสน เพราะว่าท่านเลือกจะพาะไปสมพันธายานพระที่ฟังคำสอนจากพระเจ้าโดยตรงเท่านั้นพราะทำไมไม่เอาเล่าอื่นเพราะเรล่าอื่นไม่สามารถจะทบวนได้ได้ก็ไม่ละเอียดอย่างชลพิญโยนทําได้เหมือนกันแต่ความละเอียดไม่พอยิ่งถอยหลังมหาวิชาสามยิ่งน้อยลงไปไหนถ้าถยหลังพระสุขโโกยกิย่งไม่ได้เลย ก็เป็นว่าพระเจ้ามีความจําเป็นต้องสอนให้ไปที่พอใจเขาบุคคลผู้รับฟังนั่นหมายปลว่าต้องสอนทั้งสี่อย่างใครไม่ได้ใสเรียบเรียบก็สอนสุกอสิเโกใครรู้แล้วอยากเห็นก็สอนเตโชคือวิชาสามใครเห็นแล้วไม่พอใจอยากจะไปถึงก็สอนนัปัญญาใครอยากจะรู้ตัวตไปก็สอนเป็นสุวิธานญา ทำไม่ดีนะเอาแกฉันเเสียงจะไปไม่ไหวก็เป็นว่าเมื่อเมื่อแ น, นะนำเรื่องนี้เสร็จก็ขอพูดตังอารมณ์วันนี้ควรจะเป็นอารมณ์ของอนาคามีเทวบัรดาท่านพุทธบริษัททุกคนที่ริดว่ า, าการเจริญพุทมรฐานตั้งจะเริ่มต้อนอันดับแรก ที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้ทุกคนแผ่เมตตาจิตเ ป, เป็นจักรวาลทั้งปวงการแผ่เมตตาจิตนี่เป็นการทำลายความโกรธสร้างอารมณ์ให้เยือกเย็นจริงๆแล้วก็เป็นเครื่องหนึ่งของนาคามีนะร่มต้นแล้วก็มีเมตตาจิตก่อนมาจนหลังก็มีสิ่งในสดุด ต่อมาก็ะลงังปีวรห้าต่อมาเรื่องจักรนาปานพุติแล้วต่อมาก็ใช้คําวินาติดตามต่อไปก็ภาวพิจรารณาติดตามถ้าเมื่อคืนนี้พูดถึง์ของพระสิกขาคามีขอทนนิพนึงบางท่านไม่ได้มาอันดับแรกจะเริเ่มอารมณ์พระโสดาบันขอทนหน่อยนะว่าพระโสดาบันไม่มีอะไรไม่มาก เพมึงสกายติทิอย่าลืมว่าพระเจ้าทรตรัสว่าพระโสดาบันก็ดีพระสีธาคามีก็ดีมีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยจะสินบริสุทธิ์ไ้ขอไม่หนักสมาธิไม่ต้องสูงแค่เรจะไม่ชายก็เลอแหลแล้วปัญญาก็มีรมยมีระมัญญานิดหน่อยพระโสดาบันคลั่ปลายนะ ต้นหสกายยติทิแทนที่ท่านจะมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใเจ้าเราไม่นเจา้เจาของเราเราไม่มีร่างกายร่างกายไม่มีในเราไม่คิดถึงขนาดนี้ถ้าคิดถึงขนาดนี้ไปาหลวงพ่ออรันฉันไปเสดาบังเขสิกาคามีก็มีความรู้สึกติดว่าชีวิตนี้ต้องตาย คนและสัตว์ทั้งโลกเกิดมาต่อไหาตายหมดทั้นั้นในเมื่อเราจะตายก็ต้องหาที่พึ่งเราเชื่อพระพุทธเจ้าว่าตายจะเป็นสภาพไม่สูญถ้าลง ใ, ใจเป็นอกุศลก็ไปสวรรค์เป็นต้นถ้าลมใจเป็นอกุศลก็ไปนรกเป็นต้นก็หาที่พึ่งคือยึดพระพุทธเจ้าวิธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอยอมรัดรับถือด้วยศรัทธาแท้ หลังจากมันก็ทร่งสิ่นี้บริสุทธิ์มีผลิตภัณฑ์เป็นอารมณ์อย่างนี้เป็นพระโสดาบั น, นขั้นสัตว์ขัดตุงขั้นอ่อนที่ว่าจะเป็นขั้นอ่อนก็ปิจกบายภูมิแล้วบาปเก่าๆทั้งหมดไม่สามารถจะลงโทษเราได้ <c oughs> เป็นว่าถ้าเป็นพระโสดาบันจะเ อ, อยใช้กระตามจะไม่พบปัรก ไม่พบกับความเป็นเป็ น, ปนแต่ร่างกายไปสติฉันจะมีทางทางเดียวเพื่อจากมนุษย์ไปสวรรค์ไปพรหมและไ ป, ะปนิพพานต่อมารื่างของิธาคามีก็ตัดสังโยช์เท่ากันใต้กิเลสสาตัวเหมือนกันอารมณ์ยังอ่อนอยู่แล้วปัญญาดีขึ้นเห็นโทษของความโลภ เห็นเท่าขึ้นความโกรธเห็นเท่าขึ้นความหลงและยังไม่สามารถตัดความรอดตัดความโกรธตัดความหลงได้เพียงแค่บรรเทาลงไปเราเคยเคยถูก ด, ากาา ด, ด, ด่าถูกว่าขนาดนี้เราเคยโกรธจัดตอนนี้ใหม่ๆก็ถูกวาหรือว่าขนาดไม่เข้าโกรธเหมือนกรรันแต่ไม่หนักนักถ้าระเบียดยิ่งขึ้นมีความตื่นนอนมากขึ้น เขาด่าวันนี้อสามวันนึกออกถ้าเราเราเห็นมากขึ้นเขาด่าวันนี้สามเดือน น, นึกออกไม่มีความรู้สึกว่าเขาดา่ทาทั้งที่พ่อแต่พก็มีเมตตาจิตสูงก็าจะยอมนับบาณฑิตกฎ ข, ง, ขงก ร, รมให้มีความรู้สึกว่าคนที่ด่าเราคนที่ว่าเราคนที่ดิงทาเราความจริงเขาไม่อยากจะทำอย่างนั้น คนทุกคนอยากให้มีคนรักคนทุกคนอยากให้มีคนสงสารให้การด่ากันว่ากันยิงคาเขารู้เข้าเขาปิดเราแต่ว่าที่ทำไปเพราะอะไ ร, ระก็กดของกรรมกรรมที่ไปเอาศลในช่ก่อนเข้าสนอนใจทำให้เห็นที่เป็นชอบอย่างปฏิทวทัติเพราะปวทัติอีกตอนเกิดใหม่ๆดี เป็นลูกเจ้าไปพี่พระนางพิมพาถ้า <c oughs> ต่อมาก็บดในพุทธศาสนาเฮ้เจ้าก็ทรงสอยได้พิญญาสมาบัติถ้าเป็นพิญญาห้าตกเป็นตังตัดไม่ได้ยังไม่ถึงมรสดาบันหลังจากนั้นกฎคงกรรมที่เคยจองเวรจองภารพระเจ้ามาก็เข้าส น, นองใจ ไนเหตุใคดตั้งใจจะขบถพระเจ้าจะปกครองทองเองเอาอวส น, นก็ครอบงำมาวิสุ ก, ก็ลงเวจีข้อนี้ชั้นใดน้นไหลก็เช่นเดียวกันคือเขาด่าเราก็ดีเขาว่าเราก็ดีเขาดินทารเราก็ดีความจริงก็เห็นผิดเป็นชอบเอาอวสรนก็ครอบงำจิตการด่ากัานว่ากันดิทนทารคนอื่นตัวเองก็มีจิตใจสมอง ในเมื่อจิตใจเสมองเจ้าว่าท้าตายจากความมีคนก็ลงอาบายยูมิทนนี้ราจเกิดกำลังสารว่าเวลานี้ก็เป็นมนุษย์ดีแล้วมนุษย์เป็นทุกข์ก็ยังแหละแต่ว่ายังมีความสุขดีก่าลงอบายยูมมีสัตว์กเป็นต้นในที่นั้นจะมีจะทุกขเวนนาทุกขะดาจิตไม่มีเวลาบ้างเว่นจะทุกขเวนนาจะทุกขเวนนาในเมืองมนุษย์ก็มัด เจาเข้าไปใกล้นรกก็ไม่ได้เพราะที่นั่นมีไฟเผาตลอดวันมีอาวุธเสียบแทงตลอดวันอย่างนี้เป็นต้นคําว่าายในนรกไม่มีจิตจะมีความรู้สึกทุกข์โกนาอยู่เส ม, มอแล้วก็มีความรู้สึกว่าที่เขาทําอย่างนั้นเขาต้องลงไปแบบนี้เราก็สงสัยขเขาเพราะกฎานะ เพราะฉะนั้นว่เป็นว่าในเมื่อจิตของเราเป็นอย่างนั้นกำลังใจเราเข้าถึงสิกขาคามีเพิ่งปลายต่อมาที่ความจริงถ้าปฏิบัติตามระเบียบมันก็ไม่หนักจนกว่าเราจะเข้าถึงด้าสิกขาคามีเพิ่งปลายนี้มันใกล้จะเป็นนาคามีแล้วหนึ่งความรู้สึกในความนักระวังเพศบรรจางหายไป มันไม่มีความรู้สึกอารมณ์ขณะที่ประจันหน้าเก่ากันก็มัมีความรู้สึกแต่ว่าบางครั้งเวลาเงียบเยียบอารมณ์สงัดมันจะมีความรู้สึกขึ้นมาเล็หน่อยแล้วก็สลายตัวไปในการจะส่องความอยากร่ํารวยก็สลายตัวไปจากจิตมีความพอตามสมาชีวะ หมายความวาการเลี้ยงชีวิตโดยชอบไปคดไปโกงใครมันจะด้วยขนาดไหนจนขนไหนก็ไปที่พอใจที่เป็นสุขแล้วก็สามอารมณ์ความโกรธความโกรธนั้นก็สลายตัวไปแต่ว่านานๆจะผงรมนิดหนึ่งแล้วหายไปถ้ายังมีรมนิดหนึ่งจะแสดงว่ายังไม่เปนอนาคามี ต่มาความหลงในรูปสวยเสียงเพราะดนหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเทศมันก็สลายตัวไปแต่บางครั้งยังมีความรู้สึกนิดหน่อยให้สังเกตรตรง น, นี้นะถ้าสกิทาคามีนี่บางท่านเขาเ้าใจะไปตนเองเปเมื่อนาคาคามีเพราะว่ามันวางมากต้องสังเกตเป็นเดือนถ้าสามสี่เดือนมันจะมีรู้ไหม อารมณ์เกิดขึ้นไม่ถึงนาทีก็ะสลายตัวไปอันนี้เป็นพระเศรษาคามีละเอียดต่อไปก้าวเขาจะไปหาพระอนานาคามีจะเป็นพระอนนาคามีต้องตัดสนยอดสองอย่างเพื่อหนึ่งกามฉั น, นทะและสองปฏิฆะข้อจริงไม่ต้องแต่ก็ได้ มันเหลือด้วยเหมยไหลๆเดือนยังมีครั้งหนึ่งก็เหมืยมันเกิดไป ม, มีแต่ว่าจะต้องไม่มีเลยก็ต้องใช้กรรมฐานเขาช่วยคือกายใจต้องปิดกรรมฐานก้าวสุกรรมฐานไต่กามาันทะเห็นว่าร่างกายเขาคนก็ดีร่างกายเขาใสั่ก็ดีมันเต็ ม, มด้วยความสุขภกสุขโลกข้างในมีน้ําเลือดน้าเหลืองน้ําหนองอุจจาระปัสสาวะ สิ่งเราเห็นว่าดีก็แค่ผิวหนั ง, งบางๆแต่ผิวหนั ง, งบางๆก็ไม่ไนแน่เราจะสะอาดแค่เปิเผอไม่อาบน้ำสบันสองวันก็ทนไม่ไหวฉะนนอารงใจเรื่มื่อเข้าถึงสากลามีมาแล้วแค่ลงคิดนิดหน่อยก็สามารถตัดได้วางได้ความรู้สึกจะไม่เกิดต่อไปปฏิฆาเกล์ที่ไม่พอใจ ไม่ถึงก็โกรธอะไรนี้ไม่พอใจคนมยินรักเวลามัไดะแล้วจากพระศิษยาคามีอันนานหลายเรือนจะมีครั้งหนึ่งพอไม่อถึงพระศิษยาจะเม่ไม่้าวข้ามาบ้านนาคามีก็ใช้พวามมีฐานสี่เป็นพื้นฐานมีความรู้สึกเต่อเวลาว่าเราจะมีความรักรักคนแล้วักสัตว์ท่ารักตัวเอง เาจะไม่ได้ศัตรูกับใครการที่สองเราจะสงสัยคนสัตย์เสมอที่ตัวเราการที่สามเราจะไม่อิจฉาใหรือเสียใครการที่สี่เห็นอะไรไม่ดีไม่พิเปริที่ถูกใจเราก็วางเฉยถ้ยาจะโกรธเราไม่โกรธคิดเป็นเฉยทําอย่างนี้เป็นแค่สองสามวันไม่เกินหนึออิ์ก็เป็ น, ปนาอาณาคามีเพราะมันจะเป็นอยู่แล้วนะ เพงความว่าวันนี้หยุดแค่านาคามีนะจะไม่หยุดถ้าไมได้้ามนาทีก็ <c oughs> ทบทวนถอยหลังไปใหม่ถ้าสอนละหันเนยอะไปหมดชันอดข้าวใช่หไหมเพรกระว่าไปพระราานิพผ่านเลยนิ่ผ่านภานยในวันนั้นตามบาหลีไอบ้บาลีจะคนเขียนตามมือเขียนตามบรรม ว่าพระราชาเป็นพระอรหันต้องนิพพานภายในเจ็ดวันที่ว่าท่านผิดก็ไม่ผิดถ้าเราภายในเจ็ดวันใช่ไหมที่ว่าตามที่ปลายกฎตามพระสูตรเป็นอรหันต์วันนั้นนิพพานวันนั้นได้ไหมความจริงเราเองอาจจะรู้สึกได้แต่ตัวท่านไม่รู้ได้หรอกพระอรหันต์องค์ไม่มีใครห่วงตัวเอง เพร่าไม่มีใครอยากอยู่เห็นพันธุ์ทุกวันไปเห็นิพานได้ทุกวันเห็นว่าพันธุ์มีความสุขพิพธุ์มีความสุขดีกว่าสวรรค์พันธุ์มีความสุข ด, ดีกว่าพรหมพันธุ์มีอารมณไม่หนักความหนักใจนิดหนึ่งในพระนิพธุ์ไม่มีมีอารมณเบามีาร ม, มสุขฉนั้ท่านนี้เป็นวัดหลานทุกองค ยิงไม่มี อ, องค์ไหนอยากอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยี่งทับพระตายไม่ได้พระนึ่เขาห้ามตายเดี๋ยวก่อนเยวก่อนดูก่อนดูก่อนพวกเราทิ้ตติดตเยอะก่อนเยอะยังพูดไม่จบไว้ถ้าเป็นพระเวล่านี้ตายไม่ได้ไไดก็ตายยกไข่ถ้าเป็นพระราชก็อยู่ไม่ได้ตอว น, นิพพาน ก็เหนว่าวันนี้พึ่งแค่นี้นะตอนนี้ไปพระบนดาลญาติโยมพึ่งวันสุดท้ายตั้งใจสมาทาน